ได้การุธิยีอ้างถึงฤดูการนะครับบอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญหน้านี้เป็นสาธารณการหน้าศาสตร์นะครับซึ่งเป็นฤดูอบ อ, อุ่นซึ่งดอกไม้จะบานบอกว่าดอกไม้สองข้างทางระหว่างแคว้นพิหารกับกบิลพัทสุกแดงเปหนึ่งฐานเพลิงอขอเชิญเสด็จไปชมดอกไม้สองข้างทางกันนี่เป็น อะไรบางสิ่งซึ่งปลุกให้พระเจ้าใส่ใจซนะึ่งเป็นเรื่องอารมณ์สุนตรีข้อที่สองก็คือตามธรรมดานั้นพระสัมมาพุฒิเจ้าตรัสรู้แล้วเป็นธรรมเนียมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ต้องเสด็จกลับเมืองแม่เพื่อประกาศกิตติคุณของมารดาให้อยู่ชัว่าวการลาภศาสารเป็นธรรมเนียมแต่โบราณนะ ข้อที่สามบิดาชลาแล้วทรงรู้ธรรมะได้โปรดไปช่วยบิดาด้วยแล้วผมจำไม่หมดนะครับข้อสุดท้ายการุธยีอัมหมายก็ทูลว่าคณะทูตแปดคณะล้มเหลวสิน้นคราวนี้การุธยีพระสหายของโรงเองขอพรในหม่อมชั้นได้ทูลสำเร็จด้วยอ้างเอามิรภาพเป็นหลักว่ากันว่าพระเจ้าเมื่อฟังจบก็คว้าบาตแล้วก็ออกเดินทาง ถ้าท่านที่เคยไปที่อินเดียนะครับเขาคิชกูรเนี่ยสูงผมคิดว่ามากกว่าภูเขาทองความราชันน้อยกว่าเมือ่อประชาชา80พันษานะครับถึงฉลามากแล้วจวนปรินิพานแล้วนั้นพระพุทธเจ้ายังประทับอยู่บนยอดคิชกูรแล้วลงบินบาบ ท, ทุกวันมันบอกเราถึงอะไรบางสิ่งนะครับในอารมณ์สุนทรียภาพของพระพุทธองค์นะค สุนทรีภาพนั้นคือการได้ลดและมองโลกจากที่สูงถ้าขึ้นนั่งบนเขาพิชกุลหรือประคันดุกดีบนยอดเขานั้นจะพบว่าสามารถเห็นเวิ้งเขาที่เมืองนั้นได้อย่างกว้างามยิ่งครับอาจารย์สุนโมกเองนะครับ ทุกครั้งที่ท่านขึ้นมากรุงเทพเพื่อจะสอนธรรมะกับพวกตุลาการมีสิ่งหนึ่งที่น่าสังเกตก็คือแม้ถึงช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์หลังจากการบรรยายครั้งสุดท้ายวันศุกร์ซึ่งต้องบรรยายอีกในวันจันทร์ท่านนังรถไฟกลับสวนโมกครับแล้วเย็นวันอาทิตย์ขึ้นมาอีกผมเคยเรียนถามทาไมท่านอาจารย์ต้องทาให้เหนื่อยๆนี้ท่านบอกว่ากรุงเทพไม่ไหวไม่น่ารื่นรม แ้ท่านเล่าให้ฟังว่าเมื่อ น, นั่งไปรถไฟสองางทางบางช่วงขนาของจิตนะครับท่านบอกว่าผมได้เห็นสะตามธรรมชาติมีดอกบัวงดงามอย่างเจิดจ้าดีเดียอันนี้เป็นเรื่องสนุกมากครับเวลาท่านเล่าถึงความศัก์สทิ์ของท่านอารมณ์สุนทรีนี้ไม่ได้หมายถึงเฉพาะสิ่งสวยงามซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นเท่านั้นนะครับไม่ได้หมายเพียงแต่ว่าประติมากรรมจิตตกรรม หรืออะไรเท่านั้นแต่สุนทรยภาพนั้นรากของสุนทรียภาพอยู่ในหัวใจมนุษย์และความเดิมแท้ในธรรมชาติในความเป็นจริงในธรรมชาตินะครับข้อนี้เองที่นํามาสู่ข้อพินิษใ์ไ้ครวญที่ว่าท่านอาจารย์มีความรู้สึกต่อพุทธรูปอย่างมากมายซึ่งกลับกับที่คนทั่วไปรู้นะครับ คนทั่ไปเข้าใจว่าท่านอาจารย์แอนตี้พุทธรูปถือเป็นรูปเคารคแต่โดยความเปจริงไม่ใช่อย่างนั้นเลยครับคือท่านแอนตี้การกระทําต่อพระพุทธรูปอย่างรูปเคารพ์แต่ท่านไม่ได้แอนตี้พุทธรูปเลยตรงกันข้ามเคยนั่งพินิษฐ์ิเคราะห์ความงามแล้วพารนาความเหล่านั้นให้ผมฟังเป็นวักเป็นเวนต่อความงามโดยเฉพาะโอโรกิเตสวนนะฮะท่านถือว่าความงามที่สรรสร้างให้ออกเป็นรูปธรรมนั้น ออกมาจากดวงจิตที่บริสุทธิ์ผุดผ่องออกมาจากศรัทธาอันมากมายนะครับเมื่อหลายปีก่อนผมเคยไปสัมมนาที่ไต้หวันว่าด้วยพระพุทธรูปเียนี้ฝรั่งมังค่าก็เริ่มพูดกันขึ้นทางทางเขาใช่ชาวพุทพูดกันว่าปริมากรรมพระพุทธรูปที่สวยที่สุดในโลกคือพระพุทธศินรามันน่าประหลาดนะครับตรงที่ชาวต่างชาติ ผมเองเคเจอชาวต่างชาติคนหนึ่งเป็นปฏิมากรหญิงเธอไม่ใช่สาวพุธแต่ก็ได้รับเสียนพุทธรูปเสียนจริงนี่เถะปลองกันไปเลยนะครับไปเป็นแบบอย่างแล้วเธอพยายามที่จะปั้นคอยตามแล้วเธอเล่าว่าได้พบพลังของความสงบอย่างแปลกประหลาดพระพักพุทธรูปนั้นสำคัญมากครับในบทกลมน้องกล่อมลูกของปักใต้มีอหนึ่งที่พรรณนาความว่า ไปเมืองคอนไปแลพระนอนพระนั่งพระพิงเสาดั้งหลังคามงกระเบื้องอะไรเนรี่ยครั้งอดีตตอนผมเด็กๆสมัยคุณป้ายังสาวนะฮะมีมีกระบวนการเดินทางไปชมพระคดเข้าหอเดินทางเดียจากสงขลาหรือรอบอ่าวทะเลสาบสงขลาเดินทางมณฑลกรสีธรรมราชเพื่อไปนั่งชมพระพักของพพุทธรูปเฟนีนี้เดี๋ยวนีน้จืดจางจางไปแล้วครับไม่มีใครทําแล้ว ชาวบ้านแถวนั้นเมื่อขึ้นแห้งขึ้นแล้งหมายความว่าหมดฤดูทํานาเก็บเกี่ยวแล้วก็เดินทางเกาะก็เป็นกลุ่มพกเข้าพกเข้าฟ อ, อไปไปนั่งดูพระทําไมสิ่งนี้จึงเกิดเป็นภูมิปณีขึ้นมาครับพระพักพุทธรูปที่นายช่างบูลเล อ, เลอร์นะฮะผู้มีดวงจิตสะอาดสะอานสรรสร้างขึ้ น, นเป็นนิมิตที่ปราณีดังนั้นเมื่อมองพระพักพุทธรูปแล้วนีครับจิตใจเราจะเกิด ประสานเนื่งกับล่องรอยฝีมือและน้ำใจของศิลปินที่สร้างไว้เราอาจจะเทียบได้กับเด็กๆ เ, เขาดูหน้าแม่อารมณ์เขาจะห ง, ง, งุดหงิดใจดีเขาก็ดูที่หน้าของแม่ถ้าหน้ามารดาเขาแสดงออกห ง, ง, งุดหงิดเขาเริ่มเรียนดวงจิตนั้นเรียนรู้ได้ทุกขณะเมื่อเข้าไปสัมผัสกับสิ่งที่มันสัมผัสก็ เ, เริ่มเจริญขึ้นไม่ว่าในทางเสื่อม ในทางผิดปกติหรือในทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆพระพุทธรูปที่งดงามและมีปริมาณจำนวนมากที่สุดในโลกนี้นะฮะอยู่ที่ยุทเทศเราครับสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่รูปเคารพแต่เป็นวัตถุที่ตั้งของที่จะทำให้ดวงจิตได้ฝึกปรือเมื่อนั่งดูไปพัก พ, พุทธรูปเราเห็นความงามมันล้ำเลิศนะไม่ใช่ความสวย แต่ว่าช่วงหลังเนะีพุทธรูปก็แปลเปลี่ยนไปเราพบว่าตนน้นรัตนโกสินทร์เนี่ยพุทธรูปมีลักษณะเป็นตุกตามากขึ้นนีผมจะเล่าถึงอารมณ์สุนตรีของท่านอาจารต่อเรื่องป่าเขาลำนงไม้ด้วยนะครับคราวหนึ่งเนี่ยเออ ผมเข้าใจว่าท่านอยากให้ผมเรียนภาษาบาลนะีพอเมื่อผมออกบวชนั้นผมปฏิเสธที่จะเรียนหนังสือทุกชนิดเพราได้ยินท่านอาจารย์ด่าว่ายิ่งเรียนหางยิ่งยาวอะไร่หางยิ่งยาวก็รู้สึกคล้อยตามว่ามันนาา่าขยันขยั่งจริงที่จริงคิดตัวเองเนะฮะที่จะไป ม, มีความรู้อะไรเข้าก็เลยไม่ไม่อยากแตะอะไรทั้งนั้น อ, อวันหนึ่งท่านเรียกผมไปชวนคุยในเรื่องความงามของป่า อ, อท่านแนะผมว่า ผู้ลงม่เปิดเทละเทลีกาถาดูในนั้นมีถ้อยคำซึ่งพระอรหันต์ครั้งอดีเนี่ยภาลนาดึงความงดงามไว้อย่างเลยเลิศผมไม่สู้สนใจเท่าไหรนะ่นักดาก็เปิด อ, อ่านเสร็จแล้วก็มาเล่าความรู้สึกให้ท่านฟังว่าโอ้ยทำไมมีนไพเราะถึงขนาดนี้เพราะผมก็ใส่ใจในชั้นเชิงของกวีนิพนธ์อยู่บ้างนะฮะท่านก็พูดดักคอว่าที่คุณรู้สึกนั่นคุณอ่านภาษาไทยนะ ถ้าคุณรู้บาลีเลยคุณนั่งไม่ติดเลยนะเพราะอย่างนั้นคุณต้องเข้าป่าทันทีผมก็ได้เขาก็เริ่มเรียนบาลีครับอยากจะเสพรถของศูนย์เสียภาพสิ่งนี้ผมคิดว่ามันมีนมบทบาทไม่ใช่น้อยครับในการจูงใจตามจริตนิสัยตามสันดานของแต่ละค น, นะคผมจะอ่านให้ท่านฟังนะครับถึงความงดงามของเทร ะ, ระเทรีคถาซึ่งพระเทระและเทรีคือพระเทระผู้หญิงนะ ที่เข้าถึงอารมณ์สุนทรีอย่างบริสุทธิ์พัลนาความไว้อาจารย์แสงรุณนรัตตะศิกรครับเคยไปแพร่พักหนึ่งว่าผู้ที่อยู่ในโลกของศิลปะหรือสุนทรีนั้นจะพบว่าสุนทรีที่บริสุทธิ์นั้นคือสิ่งที่พาลนาถึงสภาวะธรรมดั้งเดิมนะฮะนี่สำคัญมากครับผมจะลองอ่านให้ฟังนะครับว่า สักบางตอนสั้นๆครับชื่อเอกวิหารยะเทละคาถาครับถ้าไม่มีผู้อื่นอยู่ข้างหน้าหรือข้างหลังเราความสบายใจอย่างยิ่งคงจะมีแก่เราผู้อยู่ในป่าผู้เดียวปิฉนั้นเราผู้เดียวจากไปสู่ป่าอันพู้เจ้าทรงสรรเสริญว่าความผาสุกย่อมมีแกเราผู้อยู่แต่ผู้เดียวมีใจเด็ดเดียว เราผู้เดียวเป็นผู้ชำนาญในสิ่งที่เป็นประโยชน์จากเข้าไปสู่ป่าใหญ่มันทําให้เกิดปิติแก่พระโยคาวจรหน้ารื่นรมเป็นที่อยู่ของโขลงช้างซับมันเราผู้เดียวจากสะสนานกายในซอกเขาอันเยือกเย็นในป่ามีดอกไม้บานสพรั่งจากจงกลมให้เป็นที่สําราญใจเมื่อไรหรเนาะเราจึงจากได้อยู่ป่าใหญ่อันหน้ารื่นรมแต่ผู้เดียวไม่มีเพื่อนสองจากเป็นผู้ทํากิจสําเร็จ หาอาสวะไม่ได้ขอความประสงค์ของเราผู้ปรารถนาจะทำอย่างนี้จงสาเร็จเถิดเราจะผูกเกาะคือความเพียรจะเข้าสู่ป่าใหญ่เรายังไม่บรรลุถึงความสิ้นอาสวะแล้วจกไม่ออกจากป่าเมื่อคราวลมเย็นพัดผ่านมากลิ่นดอกไม้ก็หอมฟุง้งเราจะนั่งบนยอดเขาทำลายอาวิชชาจะได้รับถึงความสุขขึ้นลมด้วยวิมุตติสุข ในถ้มที่เงิ่อมเขาซึ่งดารดาดไปด้วยดอกโกสุมปฐุมานมีภาคพื้นลมนียสถานเยือกเย็นอันมีอยู่ในป่าใหญ่นั้นเป็นแน่เรามีความดําริ์อันเต็มเปี่ยมเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญเป็นผู้สิ้นอาสวะทั้งปวงแล้วบัดนี้พบใหม่ไม่ได้มีเป็นจริงดังนั้นนะครับเมื่อเราอ่านแล้วเรารู้สึกถึงแรงกระตุ้นจูงใจให้เราเข้าหาธรรมชาติเดิมแท้ โลกพิพภพหรือโลกธรรมชาติที่บริสุทธิ์ซึ่งเป็นนิวาสถานเดิมของเราแต่หลังจากที่สังคมเมืองพัฒนาขึ้นเราเรียกตัวเราได้เราหลงทางในเมืองเมืองก็เกิดกำแพงที่กั้นผู้คนให้ห่างจากป่าด้วนยะนั่นเองวิกฤีการของเมืองก็ปรากฏขึ้นเมื่อเราสูญเสียสูญทรยภาพ บริสุทธิ์ดั้งเดิมของของป่าเขาเรานองไม้ศิลิปินต้องสร้างศิลปะขึ้นเพื่อชดเชยดังนั้นเป็นสืนอทือกภาพอีกแบบหนึ่งไม่ใช่สื่อเทือกภาพที่แนบแน่นอยู่กับความจริงความสะอาดความบริสุทธิ์ครั้นเมื่อผม <c oughs> เริ่มเรียนเล่าเรื่องตัวเองเหมือนกับว่าเป็นศูนย์กลางนะครับแต่ว่ามันช่วยไม่ได้นะเมื่อผมเริ่มเรียนบาลีมาเข้าผมพลไม่ไหวผมไปลาท่านจะเข้าป่า ท่านก็เห็นดีด้วยแต่ท่านบอกว่าถ้าคุณเกิดความรู้ในป่าในที่สุดคุณก็จะชักจูงคนเข้าป่าแล้วถ้าคุณเกิดความรู้ในเมืองคุณจะช่วยคนในเมืองได้มากสังเกตดูไหมฮะท่านต้องการให้เราลิ้มรสอะไรบางสิ่งแต่ไม่ให้เราไม่ให้เราเติดไปในสิ่งที่ประโยชน์น้อยนี่คือสิ่งที่ผมใครจะมีหุ้นส่วนในการรับรู้นะฮะ นี่ประการห น, หนึ่งนะครับที่ผมใคร่จะเล่าให้ท่านฟังในที่นี้ก็คือคําสอนของท่านอาจารย์สุนโมกนะครับที่มีหลักอยู่บนสี่ประการของธรรมชาติซึ่งท่านทั้งหลายทราบกันดีาธรรมชาติกฎของธรรมชาติหน้าที่เราธรรมชาติและผลได้ตามธรรมชาติที่จริงคําสอนเหล่านี้นะฮะสอดคล้องกันมากกับพัฒนาการด้านสุนทภาพทางตนตก เมื่อประมาณปลายศตรวรรษที่17เนักบุญของโตนตกคนหนึ่งซึ่งเป็นนักบุญชาวอิตาเลียนอยู่เซนต์ฟรานซิสของแอ c ซีซีซึ่งเป็นเกาะที่งด ง, งามเหมือนกับสูงสวรรค์นักบุญผู้นี้ได้นำเอาปรัชญาของอริสโตเติลที่ว่าด้วยสภาวธรรมคือปรัชญาของอริสโตเติลนั้นไม่เหมือนของเปลโตหรือของคนอื่น ตรงที่อรุษเจตุนต์ชี้ว่าเหตุใดเมฆจึงลอยก็เพราะว่าเมฆเบางั้นเป็การดูตัวสภาวะไม่ได้เจาะลึกก็ไปสู่โครงสร้างด้านอะตอมิกสตรัคเจอร์หรืออะไรเหมือนที่วิทยาศาสตร์หรืออะไรมองนะคือมองเท่าที่ตาเห็นเท่าที่มนุษย์สัมผัสได้ซึ่งอันนี้สําคัญมากนะครบางทีเราสัมผัสร่วงเลยไปสู่ไอ้สูตรซึ่งเป็นสูตรเคมีสูตรไอ้คณิตศาสตร์จนเกินไปก็ได้นะ เราเลยไม่ได้สัมผัสตัวสภาวะซึ่งคลั่งพร้อมด้วยสุนทรีภาพนะนักบุญผู้นี้ได้นำเมาปรัชญาของอริสโตเติลเข้ามาประยุกต์แล้วก็เริ่มประกาศว่าพระเจ้าทรงสถิตยอยู่ในทุกแห่งหน่านทางความงามสุนทรีภาพในทิวทัศน์ถ้าจะเห็นพระเจ้าจงดูทิวทัศน์รอบๆตัวท่านนะทุกสิ่งอย่างเป็นปรากฏการของพระเจ้า จากแนวอิทธิพลคำสอนนี้ทำให้ศิลปินอิตาเลียนคนหนึ่งเป็นผู้นำที่ชื่อจอรโต้เริ่มวาดรูปมีมิติที่ภาษาทางศิลปะเขาเรียก p e r s p e c ปก v e ก่อนหน้านั้นวาดแบนๆคล้ายๆตัวหนอนจอร์โต้ก็เริ่มวาดให้มีความลึกขึ้นมานนแสดงคาสอนในเรื่องธรรมชาติซึ่งถือเป็นปรากฏการณ์เป็นการสแสดงออก ของพระวรากายขององค์พระผู้เป็นเจ้านีได้มีอิทธิพลอย่างสูงในตะวันตกสำหรับท่าอาจารย์นั้นทุกสิ่งทุกอย่างถูกมองจากความใกล้ชิดของธรรมชาติเพระควบวชใหม่ๆนั้นนะฮะท่านตั้งคำถามคาถามหนึ่งว่าคุณคิดว่าต้นไม้ในสวนโมกเต้นระบําในฤดูไหนหลังจากผ่านไปหนึ่งปีซึ่งผมไม่ได้สังเกตเลยครับการสังเกตธรรมชาตินี่ผมถือว่าเป็นแก่นสารสาระมากๆ การที่พระเจ้าออกบวชเร่ร่อนไปในที่ต่างนั้นมีสาระมากๆนะครับออผมจะลองลําดับดูนะครับว่าเมื่อพระเจ้าเห็นเทวทูตแล้วโน้มบัณฑิที่จะออกบวชนะการตัดสินใจจากชีวิตยิ่งเจ้าชายออกมาเป็นวันนิพกนะครับพ่อแม่ทั้งพน้านางมาตุษานะครับหรือพ่อหรือผู้ที่บำรุงบำเรอท่านอยู่ แสดงความไม่เข้าใจครับในภาพหินสลักโบราณจะแสดงภาพสาวสนมกำนันในบิดามารดาร้องไห้เมื่อพระเจ้าเสด็จออกปวชเปลี่ยนชีวิตเยี่ยงเจ้าชายเป็นวันนิพกแต่ว่ามีประชาชนผู้ยากไร้เข้าใจดีตรงนี้สาคัญมากนะต้องทําความรู้จักกับบทบาทและการตัดสินใจหักเลี้ยวของหรงท่านให้ดีซึ่งต่อมาจะมาแนบแน่นที่ใต้ต้นโพในคืนที่เสดสัศศรุนะครับ การที่ท่านออกบวชมีวัฒนธรรมรองรับอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์เป็นแพทย์เป็นเมื่อออกบวชพ่อแม่พี่น้องอาจจะไม่ไม่ชอบไม่เห็นด้วยแต่ประชาชนเห็นด้วยที่ต่อมาเมื่อท่านมาบําเพ็ญฌา น, นครับวัฒนธรรมรองรับอยู่คั้นเบื่อหนายเห็นว่าการเข้าฌานสมถะอย่างเดียวนั้นไม่อาจบรรลุเป้าหมายได้ก็ไปทรมานตนครับแต่ก็มีวัฒนธรรมเก่ารองรับอยู่ กิจประชาชนยังนบไหวยังกล่าวกลานยังสะดุดีท่านท่านยังไม่ว้าเหวไม่โดดโดดเดียวนะฮะแม้โดดเดียวจากญาติพี่น้องโดดเดียวจากฤาษีที่มีวัฒธรรมเข้าชาญแต่ก็ไม่ได้โดดเดี่ยวในหมู่ทรมานตนเห็นไหมฮะแต่ท่านเพื่อนท่านได้นิมิตเรื่องอาสายพินที่ตึงเกินไปและหย่อนเกินไปแล้วนะเมื่อท่านกลับใจมาฉันข้าวของนางสุจดานะ ตรงนี้ยุ่งแล้วครับเพราะว่าไม่มีว่าทํารองรับเลยทุกคนหนีหน้าท่านไปหมดห้าคนสุดท้ายยังหนีไปเลยนะในห้าคนสุดท้ายนะมีอยู่คนหนึ่งเคยพยากรพระเจ้าว่าจะเป็นาศาสตาเอกพยากรเป็นคติเดียวด้วยนะไม่ใช่สองนะคือต้องเป็นาศาสดาเท่านั้นคนนี้ก็ไม่เล่นด้วยครับตรงนี้สําคัญมากนะฮะนั่นหมายถึงว่าพระเจ้าโดดเดี่ยวถึงที่สุดในประวัติศาสตร์แห่งการค้นหาสัจธรรม ไม่มีใครเข้าใจแม้แต่คนเดียวครับคิดดูนะฮะลองคิดดูว่าอะไรเกิดขึ้นกับดวงจิตที่เปล่าเปลี่ยวเดียวดายนะไม่มีใครไหว้ไม่มีใครนับถือเพราะไม่มีพื้นฐานวัฒนธรรมรองรับอยู่เลยในพระสูตรเล่าว่าท่านเร่ร่อนไปที่ที่อถานที่รุเวลาเสนานิคมนะฮะที่ฐานที่ที่จัดสรุป ท่าเล่าว่าในพระสูตรว่าเพราะที่นั่นมีภูมิภาคอันรื่นรมพระเจ้าไม่มีที่อิงที่พึ่งเลยครับนอกจากธรรมชาติที่งดงามที่นั่นมีน้าล้นฝั่งอีกาก้มลงจิกเ อ, อิบดื่มน้าได้นี่คือศิลป์ศิลป์ศิลป์ศิลป์ศิลป์ศิลป์ศิลป์ศิลป์ศิลป์ศิลป์ศลป์ศิลป์ศิลป์ศิลป์ศิลปลป์ศิลป์ศลป์ศิลม์ศิินนลป์ศิิลปดดด์ศิลป์ศิ ผู้เจ้าเริ่มเห็นนิมิตของกระแสทานของอารมณ์ที่เรียวข้ามลาําน้ําทวนกระแสนึกออกไหมฮะที่เขาสร้างเป็นสั ญ, ญลักษณ์ลอยถาดหลังจากฉันอาหารแล้วลอยถาดถาดก็ทวนกระแสแล้วถาดนั้นก็จมดิ่งลงสู่น้าคกับพิพพ ค, คือบาดาลสิ่งอันนี้เป็นสั ญ, ญลักษณ์ครับที่จะบอกเราว่าตลอด6ปีที่พู้เจ้าปฏิบัติในแนวทางอื่นนั้นท่านเห็นความผิดพลาดของท่านเองอยู่อย่างไร 6ปีที่ผ่านไปนั้นท่านคล้อยตามอารมณ์เข้าไปในอารมณ์พัฒนาอารมณ์ไปเรื่อยๆไม่ว่าเป็นฌานสมาบัติหรือเป็นการทรมานตนท่านไม่เคยทวนกระแสอารมณ์เลยครับแต่วันที่ข้ามน้ำนั่นเองครับในเรื่องจริงอาจจะเป็นน้ำวนก็ได้ครับแต่ไม่แต่ว่าสิ่งที่ปรากฏกับดวงจิตดวงใจของท่านนั้นมันปรากฏไปอีกด้านหนึ่งในขณะที่กระแสน้ําในรัญชลานะเป็นเรื่องข้างนอกครับ แตการจมถาดจมลงสู่นาคิภพนั้นก็คือผมคิดว่านี้เป็นสัญลักษณ์ของปรัชญาที่ลุ่มลึกภูมิปัญญาที่ลุ่มลึกลึกซึ้งถึงบาดาลทีเดียวคือการทวนกระแสของอารมณ์ไม่ใช่วิสัยของคนธรรมดาเป็นวิสัยของพระสัมมาพุฒิเจ้าที่จะเห็นมิต น, นี้ได้ดังนั้นพญานาคราชก็รำพึงว่าพระสัมมาวุฒิเจ้าเสด็จมาอีกองคหนึ่งแล้วหนอเห็นไหมฮะเป็นนาค ก, กับปรัชญาครับลุ่มลึกแล้วก็ นาคพิพพจะกลายเป็นแหล่งที่พระคำพีศักดิ์สิทธิ์เนี่ยถูกนำไปฝากไว้หมายความว่าคนที่เปิดเผยความลี้ลับลึกซึ้งคำพีได้ต้องเป็นระดับนาคราชพญานาคราชผมเรียกว่านาคกับปรชญาคือ ป, ปรัชญาชั้นลุ่มลึกไม่ใช่เรื่องธรรมดาครับผู้ที่มีเข้าใจสัญลักษณ์ของจีนก็ใช้คำว่าเล่ง อ, องแทนได้ครับต้องเป็นถึงขนาดเล่ง ที่ผมเล่ามาเพื่อจะเห็นนะครับว่าในทํากลางของของความโดดเดี่ยวทุกทรมานนะระพูเจ้าได้หันไปสัมผัสความงดงามธรรมชาติเป็นเป็นประเดิมแล้วลุ่มลึกเข้าสู่กระแสฐานอารมณ์ภายในด้วยเหตุนี้เองนะครับเมื่อท่านข้ามนำน้ำนั้นแล้วภายในคืนเดียวท่านก็เริ่ม ภารกิจอันยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติคือภารกิจในการทวนกระแสนั่นคือเริ่มเจริญวิปัสนาอันประเหตได้ภายหลังท่านบอกว่าท่านไม่เคยได้ยินสิ่งนี้มาก่อนเลยการกระทําเช่นนี้ไม่เคยมีมาในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติมีแต่เรื่องสมถะการเข้าชาระดับนั้นระดับนี้มาเรื่อยๆ ตอนนี้ผมก็มีในเรื่องเกล็ดเล็กเก็ดน้อยนะครับซึ่งผมได้ขึ้งตื่นต่อถ้อยคําง่ายๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันของท่านอาจารย์สุโมกมีซ้ดในรูปหนึ่งเป็นชาวจันทบุรีครับซึ่งเธอเป็นคนเรียบร้อยแล้วก็ไม่กล้าแสดงอารมณ์ต่อหน้าผู้ใหญ่ผมสังเกต ด, ดูท่านอาจารย์ท่านย่อแย่ให้หัวเลาะแล้วท่านผมจะยินท่านถามว่าคุณร้องเพลงเป็นหรือเปล่า เน้นันั้นก็ได้แต่ยิมยิ้มนะบอกถ้าคุณร้องเพลงไม่เป็นคุณจะรู้ธรรมะได้อย่างไรซึ่งผมแปลกใจมากเพราะาทราบกันดีว่าในศีลต่างๆแล้วมีเรื่องไอ้ร้องําทำเพลงมันผิดศีลไม่ว่าเนรหรือพระหรืออุบาสิกาที่ถือศีลแปดนะฮะซึ่งเพลงนี้ผมสะดุดแล้วก็เริ่มคิดว่ามั น, มนคืออะไรมันมีความหมายอย่างไรลุ่มลึกอย่างไรผมไม่เชื่อว่าท่านจะพูดเล่นเพียงเพื่อให้โจกเล่นนะฮะสิ่งนี้คงเนื่องกับ ความคลี่คลายและกลมกลืนของอารมณ์แท้ที่จริงนั้นบทสวดมนต์นั้นคือเพลงครับอารขังสมาธิมัทเธเนี่ยแต่ว่าเนื่องจากเราเราฟังเราเรียกว่าบทสวดมนต์ น, นั่นเองที่จริงเป็นเพลงมีท่วงทํานองทีเดียรครับถ้าเราไปที่อินเดียหรือลังกาเราพบว่าบทสวดอันเดียวกันนั้นเปลี่ยนทํานองไปแล้วเรารู้สึกฟังดีครับแปลกๆนั่นเป็นเป็นสิ่งแปลกที่ผมผมได้สัมผัสในช่วงนั้นนะฮะ วันหนึ่งนะครับนี่อาจจะเรื่องโชคนิดหน่อยอปกติเมื่อถึงหน้าแรงบริเวณรอบๆส่วนโมก น, นะครับซึ่งเป็นพื้นป่าต่อเนื่องยาวเหเียดไปสู่เขาเพลาเขาเพลานี่เป็นเขาที่ค่อนข้างลีบลับและมีชนบางเผาซึ่งพูดสำเนียงกึ่งปากใต้กึ่งกึ่งภาษาคนคนป่าหายอะไรไม่รู้นะฮะแล้วก็ ถ้าเล่าผมฟังผมก็อยากดูท่านบอกมีชนกลุ่มหนึ่งเรียกว่าขี้ปุยเพราเขาเหล่านั้นหลบอยู่ในป่าที่มีแสง ล, ลําไส้เนื่องจากป่าทึบมากจนเมื่อมือลูบตัวนี่จะเกิดฟุขุยฟุ้งขึ้นมาแล้วไปเรียกวคนขี้ปุยเมื่อท่านพูดอย่างนี้ผมก็ชักอยากรูอยากเห็นเพราะว่าหลายครั้งที่คือท่านอาจารย์ไดมีวิธีที่จะตกแต่งปฏิมากรรมของท่านท่านว่าองั้นเนี่ย บางทีข้าวปรามันามาจะเรียนเลยหนังสือขามเรียนไปแล้วหูหางยาวแต่เดี๋ยวก็ยั่วยุด้วยตำราอะไรบางสิ่งให้เราใส่ใจผมเข้าใจะเพื่อให้เราค้นหาสัดส่วนที่ปฏิบัติเพื่อจะศึกษาค้นคว้าต่อไปรู้จบเพราะว่ากางศาเหมือนที่เราท่านทราบดีนะเป็นกระบวนการพัฒนาตลอดชีวิตแต่ว่าเราจะมีความรู้เพื่ออะไรนี่ประเด็นเพื่อตัวเองหรือเพื่อเสริมสร้างกิเลสตัณหาหรือเพื่ออํานาจวาสนาหรือว่าเพื่อพระศาสนา ในที่สุดเมื่อถูกว่าล้องนิยนานเข้านะครับผมเองก็ค่อยๆประพิมพ์ประพายเขาว่าค่อยๆสร้างสำนึกหิริิอตตปะในการสแสวงหาความรู้ทรัพย์สมบัติเพื่ออะไรเพื่อสังสมบารมีให้ถึงพระโพธิญาณและช่วยเสริมบารมีผู้อื่นหรือไม่นะอันนี้เป็นหิริิอตตปะที่ผมข้าจาันค่อนข้า ง, ง, ง, งละเอียดอ่อนการครอบครองทรัพย์สมบัติเป็นสิ่งน่าละอายสาหรับชาวพุทธนะครับ แต่ดีน้มนกลับกันนะคำบารมีปลว่าเจ้าพ่อครับผู้ยิ่งใหญ่มันมันกรอบตรปัดกันไปเลยผมเคยเห็นชาวบ้านนะครับละอายที่จะบอกคนเนี้เป็นเมียของเขาก็เรียกแม่อีหนูแม่อีหนูมันคร้ายกระแสค่านิยมหลักที่ว่าการครอบครองไม่ว่าที่ดินทรัพย์ภรรยาบุตรนะเป็นสิ่งที่ไม่ไม่พึงนำมาอวดกันแต่ปัจจุบันนิ่เปลี่ยนไปนะฮะเปลี่ยนไปโดยเฉพาะในโลกตอนตก คือพยายามแสดงออกดความสำเร็จในชีวิตคู่กันมากทั้งๆจริงๆมันคือหายนะก็มีเฮมิงเวย์เยคยเล่าเรื่องสั้นไว้เรื่องหนึ่งนะว่าในรถไฟขบวนหนึ่งมีเพื่อนนักเรียนรุม่มรุ่นกันสองคู่คือทั้งสี่คนนี่เป็นเพื่อนรุม่มรุ่นกันแต่นั่งมาคนละตู้พอถึงเวลาอาหารก็ไปเจอกันก็แสดงออกเพื่อจะตกตากันว่าตัวเองประสบความสาเร็จในชีวิตคู่ ตางคนต่งยกมือโอบไหล่ภรรยาแล้วก็ใกล้ๆบอกทั้งทั้งที่ก่อนหน้านั้นก่อนมาที่ตู้นั่งเถียงกันมาตลอดทางทะเลาะกันมาตลอดทางแต่พอเจอกันนักเรียนนุ่นก็คุยกันเบิกบานสํารานใจพอกินอาหารเสร็จกลับไปนั่งทะเลาะกันต่อที่ตู้เดิม <laughs> บางทีไอ้รูปแบบของการแสดงออกเึื่ความสําเร็จสมบูรณ์นี้มีหายนะอยู่ในนั้นด้วยครับไอ้นี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ที่เป็นวัฒนธรรมที่เกิดไม่สอดคล้องความเป็นจริงขึ้นมามีแต่รูปแบบ วดคู่อวดยศศักก์อะไรเหล่านี้นะรผมอาจจะพูดออกนอกทางด้วยวันหนึ่งนะครับไฟไหม้ที่สวนโมกชาวบ้านก็จุดเผาไร่เวลายเย็นจนกระทั่งมืดค่ำแล้วเนี่ยไฟมันยังลามต่อแล้วลุกขึ้นบนยอดเขาหน่งเอครับผมก็ค่อนข้างตกใจเพราะว่าเขาหนังเอกับ ส่วนโมกมันเป็นป่าพื้นเดียวนะฮะน้าจะลามไม่หยุดได้มันเป็นหน้าแรงด้วยผมก็วิ่งเลอือททลาไปหาท่านหมอว่าท่านอาจารย์ครับไฟไหม้เขาหนังเอผมคิดว่าท่านจะตกใจตื่นเต้นรีบมาดูแล้วก็สั่งพระให้ไปดับปรากฏว่าท่านค่อยๆลุกขึ้นช้าๆแล้วไขกุญแจตู้หยิบกล้องส่องทางไกลมาววววแล้วก็เดินไปแล้วก็ส่องดูแล้วท่านทันมาบอกผม เมันก็สวยดีนะแล้ว <c oughs> ผ, ผมรู้สึกมันสวนทางกับความรู้สึกของผมอยู่ตลอดเวลาคื อ, อสิ่งที่เราเตื่นเต้นท่านบอกว่าสวยดีนะอะไรเหล่านี้นะครับผมคิดว่าอันนี้เป็นอาจจะเป็นนิสัยที่เป็นครูของท่านและเป็นครูชั้นสูงเอที่ผมว่าเป็นครูชั้นสูงก็คือลงเล่นเกมด้วยครับคือเข้าไปฝึกปรือกันแต่ว่าครูที่นั่งนบนธรรมาะสอนอีกเรื่องหนึ่งนะ ไม่ไม่เล่นด้วยมันหลายครั้งที่ท่านเข้าใจว่าผมเป็นคนมีจิตใจเศร้าโศกที่จริงเงินผมกลัวท่านผมไม่กล้ายิ้มไม่กล้ากันหรอกท่านคงเข้าใจว่าผมมีจิตใจที่ผิดปกติเศร้โาโศกพี่ชายผมจะเล่าเรื่องตะเถริยนยาชีผมฟังเพื่อจะให้ผมวระแล้วผมกัดลิ้นอยู่ไม่ข้าวกัวนหรอกตอนนี้ถามคุณไม่เข้าใจเลยเรื่องที่ผมเล่าคุณไม่เข้าใจมุกของมันเลย เอ่อท่านพยายามที่แก้ปัญหาอารมณ์วิกฤตในตัวเราเพราะว่าตัวเราทุกคนเป็นผลของวิบากกรรมนะครที่เราเคยทำกรรมมาทั้งกรรมดีกรรมไม่ดีในสุดมันก็สําเร็จมาเป็นบุคลิกภาพและแนวโน้มเองในเรื่องธรรมะนี้ตามที่ผมเข้าใจนะครับจิตใจที่ปกติสามัญเท่าไหร่รู้ธรรมะอาไว้และง่ายดายเท่านั้นแต่ส่วนใหญ่เรามากักจะเป็นอารมณ์นะครเรารักรุนแรงในบางอารมณ์เราเกลียดแรงในบางอารมณ์ แล้วเราจะไม่เข้าใจว่วาสิ่งอันนี้มันมันสัมพันธ์อย่างไรกับการพัฒนาอุเบกขาหรืออะไรนะครเมื่อสมัยพมบวชไปใหม่ผมเล่าเรื่องบวชเหมือนภาสารภาพิบาปอย่างนั้นครับเพราะว่าที yes. ่จริงนั้นชีวิตของนักบวชนี่ยนับว่าประเสริฐแท้ครับเป็นชีวิตที่เบียดเบียนน้อยและเต็มเปี่ยมไปด้วยสุนทรียภาพชีวิตเราอย่างเราเป็นโยมนะฮะเรียกว่าเป็นฆลิหานี่เป็นชีวิตที่เราต้องฟันฝ่าต่อสู้ ทางนั้นกันดาน